เทศอบรมพระวันที่11อพฤศจิกายน2520นี่พูดเรื่องป่วยลิงช่วยลิงอยู่คนเดียวสบายพูดฉายเอ็กซเรย์ที่อุดรกันนี้เสียงรถกวนมากกวนเป็นระยะระยะความเชื่อกิเลสมีมากเชื่อธรรมมีน้อยความเพียรจึงอ่อนแอล้มเหลว เมื่อถึงวาระความเชื่อธรรมมีมากกิเลสจึงหมอบและหมอบราบเกสาโลมาเป็นต้นเป็นความจริงตลอดเวลาแต่กิเลสพาปลอมตลอดเวลาจึงไม่ได้เรื่องเขาตีมีตีขวานสร้างบ้านเรือนก็มีเสียงการสอนคนให้ดีก็ต้องมีเสียงดีเสียงดุดา่าที่เข้มข้นตอนกลางปลาย ฟังอัดได้ทั่วไปภายนอกต่างหากตัวเราเองไม่เห็นอ่างไมันตันไม่ได้เลยไม่มันลุกเลยขึ้นก็ไม่ลุกเดี๋ยววางนี่มันจะมีอะไรมันรู้เรื่องมันอยู่แล้วมันลุกไมขึ้นก็ทราบมันธรรมดาธรรมดาเนี่ยเวลานี่มันเป็นอย่างนั้นอาการทางจิธรรมนี่แสดงกันอย่างนี้เนี่ย าจะทำมาหนึ่ ง, งสติปัญญาออ า, าของมันเป็นอย่างนีู้กเนี่ยาจะทามนหนึ่งกับทุกการคุกค่อยๆเปให้สะดวกสบาย น, านันาจะทำาจทำอันนั้ น, น่รอาจทมั น, นี้มันก็ดียกันนั้นปั า, า, า, าจ น, นจริงๆนะมันตืน ทีเราสาเรื่องของโลกมันพื้นไมบายนิดยุ่งใหญนะคุณจะมายุ่งเราหนงสิเราลำานเรื่อ ง, ง, ง, งนั้นมันเป็นเรื่องหนักมันมาช่วยันให้ตายไม่ใช่มาช่วยการ ห, หายใจเ่องเกีย่ยวใครคนหน้ามช่วยกันแบบมันของโลกเขาเป็นยังไงเป็นไงหลวนพเป็นไงอาจารย์เป็นไงนไงี่น นี่คือควรในทางนั้นใครมาเาก็เลยพูด้วย่นั่งเหยื่อยยอคนั่งเนี่ยนั่งคุยกเนี่ยคนมาคนทำไงแล้วคนนั่นมาคนนี่มาคนนั่นคนนั่งนาทีคนนี้นนี้าทีบวกัน่กัเท่าไหร่เราคนเียซูนั่นเนี่ยที่ว่าเหมือนกัลินช่วยลินระวางน้ำผาเป็นั้ำพังเราเอเราสบายไม่เป็ไรมางา เวลาไปไม่ได้ก็ไม่ยแบบเราเองแบบสมายี่ยธรรมดาแบบปกติตามเรื่องของความกินมันลุกไม่ขึรือจะลุกเนี่ยลุกขึ้นลุกได้คอยลุกเนี่ยมันทนาม่ได้ก็ไม่ไปอยากกินไม่ได้ก็อยากกินเวลากินไม่ได้ค่อยกินเนี่ยมันทนไม่ได้มันจะไปก็ไป มันทำไม่ได้บางมันมันตอบตีดไม่ได้เลยลุกมันลูกอย่างนั้นเป็นปกติในตอบติดศึกษามาต่างไหมความกินมันบอกอย่ตลอดเวลาความกินกับความกินของลูกมนนี่ตลอดเวลาไม่ทราบอะไรจะสงสัยอะไรมันไม่มีสงสัยนี่มันก็เป็นปกติถึงมันจะเป็นอะไรหลายอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องปกติธรรมชาติของมันเดืออ่องนึ่งนั้นเราพูดลูกกับเรื่องปกติขึ้นมัน ปกติของความจริงมันระวังเรื่องควา ม, มาวุ่นวายโลกนี้ไม่ฮะความพอดีไม่ได้นนมันมีความโม่เมื่อไรมันวุ่นหอีอย่างนั้นหาห้าลอนี่มาโดเยเจตนาบางดีแความจริงแล้วมันก็คือวุ่นนะมันก็เพิ่มคให้สดวกสบายขึ้นมาโดยแร้วะ เ ม, ม, มื่อวานฟือนเมอวันไหนเอาปัญญาปอะมาทเราไปใช้ไปเลยปรกวดละเอย ด, อดอรอโรงพยาบาลของกรมทหารได้สั่งเขาจัดห้องจัดอะไรๆไม่เร่องรแล้วประมาณอยู่แ้มาวัดตัวตรวจไปเช็คให้ละเอียดรอดว่าโน่นไหเวลาปกติย่งีงเช่นมันจนเรื่องอะไรตนอะนปกติเคยเช็คมาหลายครั้งแล้วคือเกี่ยวว่าโรั ถ้ามันแสดงนั้นเออต้องได้แน่ๆแล้วขณะที่มันกำลังเป็นงั่นเปนไงต้องได้ไม่สงสัยหรอกโกอนี้มันเวลามันปกติมันก็เหมือนไม่มีอะไรมีมันธรรมดาธรรมดาบุญธรรมจะเป็นก็ปลูกปักมันขณะที่มันปลกปักเนี่ยเอาตวดอะไรได้ทั้งนั้นรู้เลยแต่เรายังรู้ความไม่สะดวกของทางน้ำขารที่มันแสดงตัวมันเป็นยังไงขนาดบางคนจะล้มทั้งยืน มันไม่กปนมากถึนาดจะร่วงมันจะร่วงในใหมอย่างนั้นมาฉานก็เห็นเลยอะไรกับฟ่องอย่างวันที่เจ็ดที่วานมันมีาฉาก็เหเทั้งเวลาปกติมันก็เหมือนคนนอนหลับมันเนี่ออายุอะไรมาฉายในเรื่องอยงันนั้นง้อเลยภาปฉายไปเลยไม่ได้เรื่องอะไรเป็อย่างนั้นเนี่ มันเป็นอะไรกับหวงส่วนเอวนี่ใครก็รู้่วนกระดูกมันงอกออกไปชนกระดูกขุงบนมันกระแทบเส้นเราเองไม่ใช่หมอเราพอรู้ดูลเลยนี่กระดูกงอกขึ้นไปชนก็กระดูกข้างบนกระดูกสี่ข้างนะตอนนี้มันชนเขาบอกว่ามันมีเส้นอย่างนี้ตุ้นี่เวลากระทบกันนิดเดียวแต่้นมันก็เคลื่อนย้อนได้ทูก นี่เราไม่เถียงมองอยูในเช็ดโอไดอ้เอ็กซาเลี่ายมาแล้วม็นแร่งเลครับมก็จะให้ผ่าตัดเนี่ยตตรงนี้ออกหายเเราช่วแเราม่พูดตมันดมัดุม่มเราไปโรยาบาลเไปผ่าตัดไ้นจะลุงยืนลงพยาายุ่งหมดเลย นะดนั 5, ้นมันเ็งอยู่นยาคนมาใ่สามยาอะไรตอนนี้จนลคานตะกี้ดูคนเกลยกยาไม่ใสเพรเราชนะกินยาใช่ไหมสนใจงนั้นีเรืองนีจะทา ทุกคังมันียจะจัดจังสมทงุทัยเยอะจัดจังทุกทุกทางกายอย่างทุกทางใจอย่างทุกทางกายมันก็มีสมุทัยของมันแต่ไม่ใช่สมุทัยที่เป็นพิษหรือคือเป็นปัจจัยอันหนึ่งเป็นสาเหตุที่มันเกิดทุกขึ้นมาเช่นเจ็บท้อง ถ่ายท้องอะไรเป็นต้นเหตุมันอ่เราจะเรียกว่าสมุทรไทยเหมันก็ได้เช่นฉันอาหารแฉลบมันก็เป็นสาเหตุที่จะให้ถ่ายท้องได้แต่ น, นี่ไม่เป็นได้เลยท่านที่ไม่เรียกว่าสมุทรไทยเห็นทำไมเหยอรับธรรมชาติมันก็บอกอยู่นะสมุทรไทยทางกายสมุทไทยทางจิต สมุทรไยทางจา Nepal, ิตก็คือนันท่ราคาสารการตตะตรายนั่นเเสยอยู่ี่ดังกลามาังหาเพราะัญหานี้สมุทรไทยทางใจสมุทยทางร่างกายเราถึอย่างผมก้มเก็บใบไม้เป็นสาเหตุ้ามันขันยอกนั่นก็เรียกสมุทัไทย สมุทัยปรเภทนี้นอจากจะเป็นท่ิเกิดขึสมุทรยักษ์นี่ใช่ให้เกิดขึ้นใช่ให้เกิดนี่ใช่หให้เกิดที่ดิแสงดสงความทุกข์ขึ้นมาที่ใหขัด เป็นคนทุกคมา น, นั่นก็นเหมือนกันมีโรกมีความดับถ้าแย่ถูกเันเมื่อแย่ถูกเงินก็ดับแจ่แย่คือมาทางให้ดับทางให้ทุกนั้นดับราต้องตัดสายไม่ต้องแย่กัน ท่นานปลูกอะไรก็เป็นที่เหลือทมานจะปลูกมาท่ า, น, านชาติปลูกค้าจนนี่สิ่งเหลือมาจากไหนเนี่ยถ้าคืเป็นความทุกข์ชาลาก็คือความทุกข์ตายก็คือความติดทุขกข์ซะก่อนก็ตายหวา น, นอันนี้เป็นต้นงั่นมาจากที่หลือั้ฉันมีเก็ียดนอยู่ปลายหนักอันเัน ยึดเิปัญจุางัยนามดุข้าสรุปแล้วขันธาเป็นทูกขันธเด่นพก้นเมืองถูกในอาเียนธรรมจกราทั้งสุดขันธเด่นพื้มืองไทยมีทางโคตรนัดด้คือซึ่มดโยอาเียนจัง อู่อืยู่ทีาเช่สิรแล้มีารสรงนนีครอบแล้วมีกชาติทุกออาทุกาเยังมีันย่สิครับแีเร่อันนี้เป็นทุกฉั้าอันนี้เป็นนิ้วภาษาดังพวกอันนี้คือ ขอาสมติโยอะเสุจังยาลันตันห้ากูนุครุยกามันดีแรงกาากาตัดต่อกนนีนเอเสื้อผีดังเาถนอวิพัสสาเนยหอีเป็นคนไทยอย่างควคณะคือขนี่ราทรเยสัดจังเยอะแต่าเยอะถึงห้าแเสื้อผู้านานี่ราทจากโกเปนตอนากอันนาเลยอยู่ เวลัดจได้ซึ่งปัญหาทั้งสามหมดความอะไรมันเป็นนิโรธหร่อเป่านี่คไอกรแสดงหนึ่งของลง่าสมัยจิตกรรมสังคปรกเรื่องที่แสดงเหล่นี้อยู่ที่ไหนมันอยู่ในกายในจิตของเราีทั้งหมด เพราะฉะนั้นผู้เรียนทำจนเรียนที่นี่ทุกก็มีอยู่ที่นี่สาเหตุที่จะให้เกิดทุกข์มันก็มีอยู่ที่นี่ที่เหลือประเภทต่างๆนคนนึ่ที่ทกข์เกิดที่นี่นี่เรื่อความดับทุกข์ก็ดับกันที่นี่ดับทุกข์ด้วยวิธีการใดนักวิธีการนั้นคือมากก็ดับด้วยวิธีการนั้นซึ่งก็อยู่ที่นี่นี่เราเรียนทำแท้ให้เรียนที่ตรงนี้ เราสังเกการเจรณาตัวเองเราจะไปดูนอกเราทุกข์มาจากไหนจากรูปจากเสียงจากสีจากรส จ, จากเครื่องสัมผัสออันนี้ไปโดนอำ น, น้นเข้ า, ขาก็จับเรื่องนั้นเข้ามาปรุงแต่งให้เกิดความม่นว่างมันเป็นขัญยญารมณ์ซึ่งเป็นเรื่องของสือทางทางลัทนิแล้วก็ผลทุกข์เข้ามนถึยเวลาเจรณาเจิญขึ้ น, น, น, า น, านามาเจิญขนมาใช้เห็นเข้ามาโดยไหล มันต้อาสไปขาดไปขาดไ ป, ดไปผลิตภัณฑ์มันก็เหลือด้วยความแล้วแต่จิตตดสัมพันธ์ก็้าไปเมเรียนที่นี่ให้ดูที่นี่อย่าดูที่อื่นแม้จะอยู่ถามที่ใดก็ตามอย่าลืมว่าที่ทํางานแท้ๆคือที่นี่สถานที่แืบนั้นเป็นสถานที่อนวยความสะดวกใหเกิการงานของเรา งานของเราแท้คือพิจนาอายสัจธรรมทั้งสิ้นเยสาลุมานะคะาทันตาแตจนูนี่คืองานแท้ขึ้นประพุทธเจ้าจรงประทานให้ใหทำให้งานนี้สําเร็็ให้า ง, งานนี้สัาเร็จแล้วผลเป็นเครื่องตอบแทนอย่างงานนี้ก็คือความพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงพระพุทธจาทั้งหลายสาวกทั้งปวง น้อยแล้ตั้งแต่เรียนจบอาถรศัตด์ซึ่มีอยู่ในการในกิจของตนนีานา้มันสามารถประกาศทำสอนโลกให้ได้ด้วยความกล้าหารและสามารถยังผูอื่นให้เข้าใจตามได้โดยมันมีความสงสัยหรือไมเพราะทำเป็นของอิโทุกมันเกิดขึ้นที่ไหน มามากมากมากทกัเกิดที่ที่ไันดาที่นเกิดมาจากอะไรเป็นเน้ตาเย่ยาไปเลยไปยุไปเมื่อแปลว่าความคิดพาไปอันี้ไม่หนีขี้เหนียวข้จัวางแล้วมุ่งจับปัญญาหรือปัญญาหลัก ใหตั้งใจทําหน้าที่อของตนอย่าไะเห็นว่างานใดจะประเสริฐเลือโลกยิ่งกว่างานที่พระพุทธเจ้าสถาป น, นี้งานนี้แลงานที่ทําพระองค์ให้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐได้เพราะงานเหล่านี้พระสงฆสาวกปกติดั้งเดิมมานั่งเดิมก็เป็นผู้ที่ทําแบบกองทุกข ด้วยอำนาจของกิเลสผิดขึ้นมาเช่นเดียวกันกับพวกพวกเร า, เร า, เร า, เราท่า น, านแต่ท่านเขาวิเศษเลิศโลกได้เพราะงานที่พระพุทธเจ้าทำตทานขั้นี้มีเกาหลุดมารัทานตาตะโจเป็นต้นจึงเรียกว่างานชิ้นเอกผู้ใดเป็นผู้สนใจทำ ง, งานเห่านี้เชียกว่าผู้ต้องการความเป็นจีกไม่มีอะไรมาเป็นคู่แข่งได้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 นับแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงชาววะองสุดท้ายนัิเซโยปาปิโยความยิ่งนละหย่อนแห่งความบริสุทธิ์นั้นไม่มีเลยน่ะฟังดิออกจากงานชิ้นเหล่านี้แหละเพราะฉะนั้นงานชิ้นนี้จึงเป็นงานชิ้นเอกและทำได้ยากความยากนั้นเป็นเรื่องของของงาน ยาจากถือว่าไม้ความทุนทุกค์้นก็ได้ด้วงานเหล่านี้มาใช้ทุนทุกข์ด้วยด้วยงานที่จิตมันชอบมันมุ่นขอความมุ่นว่าให้ตัวอยู่เวลานี้มีแต่สิ่งที่กิเลสชอบเรามัน่มีอำนาจน้องกิเลสกิเลสจึงฉุดลากเราไป ให้ชอบให้เพิ่มตามมันไปเนื่องจากเหตนี้เป็นเคยเป็นศาสตราจารย์ของโลกมานานใครจึงไม่เห็นว่าที่งที่เป็นค่าสิดต่อตนแม้จะเป็นค่าสุดเพียงไรก็ตามในทุกตัวตนก็ไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเมื่อไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นภัยเป็นค่าสิดจิตมันก็ไม่ชนะมันก็ไม่สะดุก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 ทรรมก็มีสติปัญญาเป็นต้นเข้าไปสอนสอนดูสิ่งเหล่านี้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วเราก็จะทราบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นภัยดังทรรมท่านสอนไว้เมื่อเห็นว่าเป็นภัยแล้วจิตใจก็สะดุกเมื่อสะดุกแล้วก็หาทางต่อสู้กั น, นเช่นเราทำความเพียรเพื่อลอักิ่งเร็กก็คือการต่อสู้กับยิ่งเล็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 แต่การต่อสู้ประเภทเหล่านั้นไม่เห็นมีความพิเศษพิถีอะไรโลคยังชอบโลคโลกยังนิยมกันนี่แหละคือกิเลสมันให้นิยมหลัหาสาระไม่ได้แต่มันให้นิยมยังไงก็ต้องเป็นธรรมไม่หาสาระมันได้มันก็มองเห็นว่าหาสาระไม่ได้เพราะกิเลมันเกาะแต่ความทุกข์ความลําบาก ในการประกอบความภากเทียนเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นขั้นสุดนี้กลับมาถือเป็นความลำบากการถือเป็นความลำบากเพราะความหลงกิเลสจึงมาถือการประกอบธรรมเพื่อแก้กิเลสนั้นมาเป็นความลำบากนี่มันแทรกซ้อนกันไห น, นขอให้ทุกท่านพิจารณาให้ดีเมื่อเป็นงนั้นมันก็อ่อนแอได้คุณเอาเพราะความเชื่อในกิเลสมันฝังใจความเชื่อในธรรมนีน้อย นี่เมื่อความเชื่อในธรรมมีมากขึ้นเพราะการสังสมการพยานอยู่เสมอซึ่งเห็นผลไปดูลำหนักมีมากแล้วก็จะเห็นภัยความิี้เหลวอภิเอตต่างๆขึ้นไปดูลํานักลำหนักจนกระทั่งแม้มีนิดหนึ่งก็เห็นความยากความลําบากเลยไม่ถือเป็นอะไรเลยเช่นเดียวกับเขาเล่นกีฬามีแต่ต้องการจะชนะท่าเดียวอื ลมลุกคลุกคลานไัขนาดไหนเมื่อปริ่งตัวไปได้เพราะกาลังของใจเจ้จเาชนะอันนี้กําลังของใจที่จะชนะกิเรศมันก็เป็นลักษณะเดียวกันเอาทุกข์ยากลําบากแค่ไหนไม่มีถอยหลังสุดท้ายก็ว่าขอให้รู้ขอให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นเรื่องเกี่ยวกับความทุกข์ความยากความลําบากแค่ไหนไม่เห็นมีความทั้งภายในเลยตายก็ตายถว า, ายชีวิตไว้กับความเปลี่ยน เพื่อความพ้นทุกข์เพื่อชัยชนะนี้เท่านั้นขออย่างเดียวพือต้องการชัยชนะขอชัยชนะอย่างเดียวไม่ต้องกลับคืนมาให้กิเลสมันเยียบย่ำทําลายอยู่ในภกชาติต่างๆดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้อีกเลยนี่นี่อำนาจของธรรมเมื่อเราสั่งสมเข้ามามากย่อมมีพลังเมื่อธรรมมีพลังมากเพียงไรกิเลสย่อมอ่อนกําลังลงไป และยิ่งเห็นภายของกิเลสขึ้นโดยลำดับและเห็นคุณค่าแห่งธรรมหาปริมาณไม่ได้เพียงขนาดชีวิตก็มอบได้เลยนีน่นี่คือการชำระความหลงในตามกิเลสความหลงกิเลส โ, <อ>โมหะแปลว่าความหลงก็หลงอะไรก็หลงอาการกิเลสที่แสดงขึ้นกับตัวนั่นเองเห็นลูกก็หลงได้ยินเสียงก็หลงอิน ลดเครื่องสัมผัสต่างๆที่มาสัมผัสัซ้ำๆมีแต่หลงไปตามมันต่าี่ความหลงมันจะแดงตลอดเวลาเรายังไม่ทราบความหลงคืออะไรอยู่หรแล้วความรู้ให้รู้เท่าตามเรื่องที่มาสัมผัสที่เกิดขึ้นภาพดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมในขณะที่สัมผัสกันจับสัมผัสกันถ้าสติปัญญ า, ามีอยู่จะต้องเป็นอย่างนั้นอในที่ติดปัญญายังยังไม่พร้อมคือยังไม่นั้นก็ทราบไว้แต่ตามกันพิจารณาแก้ไขกัน หลาครั้งเรผลก็บขาดจากกันไปได้ด้วยอำ น, นาจแห่งความเพี่ยนเพราะฉะนั้นความเพียป น, นยประเภทเหล่านี้แหละคือความเพียนเพื่อความเป็นผู้เลิศเพื่อความเป็นผู้หนุ่มเียรตางพระพุทธเจ้าประทานให้แล้วมีเกสรอมาห น, นักต่างๆตะโจเป็นต้นนี่คืองานชิ้นเอกของนัาทดสหลัจกจะพึงเรียนจากพึงทําให้สําเร็จเมื่อสําเร็จงานนี้แล้วเป็นเอกไม่มีอะไรแข่งอีกแล้วในโลกนี้ที่เหลืตายไปแล้วจะอะไรมาแข่งการแข่งก็เรื่องของที่เหลื มันมีกิเลสแขนอยู่ถ้ากิเลสหมดไปแล้วมันก็มีอะไรแขนงเอโกธรรมมัวมีธรรมดวงเดียวคือใจที่บริสุทธิ์นี่เท่านั้นนะพูดถึงเรืเ่องเรืาษาษา่ธรรมธรรมธาติจริงๆแล้วคําว่าใจบริสุทธิ์ก็ยังเป็นสมมติอันหนึ่งอยู่เลยจากนั้นก็ไปให้เป็นสมมติยิ่งเข้าไปกว่านี้ก็คือว่าเป็นธรรมอันเดียวบัดธรรมตอนนั้นพอนแล้วไม่ต้องไปมาอะไรอีก ลงถึงขั้นบริสุทธิ์มาทำยอย่างกอนแต่เมื่อธาตุขัน เ, ขเป็นสมมุติอยู่แล้วเ<ม>ช่นนี้จิตถึงต้องยกขึ้นมาเทียบเทียงกับสมมุติเหล่านี้ว่าเป็นกิตบริสุทธิ์ที่เช่นพระอราหันต์เป็นต้นใะห้เชื่อว่าพระอราหารัตตนต่างจากคนธรรมดาพทอมีธาตุมีขันมีเครื่องสมมติเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงกันเป็นเครื่องเทียบเทียงกันคำว่ า, าอาหารหันต์จึงต้องยกขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องเทียบเทียงกับโลกว่าอาหารหันต์เหนือกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้นี่ ั้งพละอันเนือกว่าจิตทั้งหลาย <Okay. S 1> ต่อหนี้อะไรงนั้นผมหมดปัญหาของสมมุติมีขันเป็นต้นแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรอีกต่อไป mm. เป็นนั่นเป็น mm. นี้กระบวนการสทานที่เว mm. ลาเวลานซึ่งเป็นผนิตด้วยกันทั้งนั้นไม่เข้าไปเกี่ยวข้างเลยตั้งใจปฏิบัติ ในงานเหล่านี้พระพุทธเจ้าทํ ำ, ทำสาเร็จสาวกหลายทําสำเร็จท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราและเคยหาความกิเลสมาเป็นกำลังเช่นเดียวกับเราเห็นได้เราจึงทําไม่ได้ท่านทําได้ทําไม่ได้เพราะเหตุไหรก็ทําไม่ได้เพราะอำนาจกิเลสมันเหนืหอหัวเราเราเคารพกิเลสมากกว่าธรรมถ้าเคารพธรรมมากพอเคารพกิเลสหรือเหนือกิเลสแล้วกิเลสจะอยู่ไม่ได้เลยไม่มีที่อยู่ขาดก็เดินไปหมดนี่ก็เพราะออื เราหนักถือมันเมื่อขาดความนับถือแล้วนางสาบแช่งมันบีด้วยทำลากันด้วยแล้วมันจะอะไรมันจะยกครอบครัวมาจากไหนไม่พอใจที่จะมาตั้งบ้านเารือ น, นอยู่ในใจนราต่อไปอืมอ่มันหนักแน่นท้ใบหี้หนักทั้งต่างหูต่างตาพิจารณาเกษารวมมานะขนตัดไปโจมเป็นความจริงล้วนๆอยู่ตลอดเวลาเหตุใดแล้วพิจารณามันไม่ถึงความจริงสักที ก็พราะกิเลสพาพิจนาทาพาพิจนาขา ก, กิแต่กิเลสมันถุดไว้ถุดไว้เวลาเราตั้งทาพิจนาแนละ้วพอตั้งทากเลสมันก็ตั้งแล้วเดี๋ยวมันก็ลับไปซะส่งนั้นส่งนี้ต่อยงานไปเสียงานเกสากมศาส์ไปยังไงลงมานะขาทำตาาโจไม่ทราบไปยังไงวินาลิมทุกรัง ยะยอทุกขังีนจังรัตตาก็ไม่เรลื่องไปที่อะไรก็ไม่เรลื่องไปเสี้ยเพราะกิเลสมันไม่พาให้ได้เรลื่องนอกจากทรเท้านั้นจึงพาให้ได้เรลื่องเรื่องความจริงทั้งหลายที่มีอยู่กับตัวของเราทั้งกายทั้งจิตเป็นความจริงทั้งหลายแต่เรื่องของกิเลสแล้วรูปคำตาเกิดตาเกิด ต, อตลอดเวลานี้นไม่้มีอะไรได้สาระอะไร protection. ถ้าทำ อย่างไปตรงไหนมันก็เห็นความจริงขึ้นมาที่ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นจนสามารถผ่านพ้นไปได้พอให้จริงให้จังเลยดูหมู่ดูก้อนมันก็เราหนักใจมันไม่ค่อยจริงค่อยจังชังแล้วนึงเป็นไม่ถ้าสั่งบอยากพูดสั่งเสียอะไรแบบนี้มันยังเคลื่อนนังข้าศไปเลอะเละ เ, ล เ, ลเลทอะเอไปนี่เป็นการสอให้ถึงความจงใจความจริงใจขอ ง, งผู้เราปฏิบัติของผู้มาอบรศึกษากับเรา อย่างชาัดเจเนีย่ยทําให้เกิดความวินาศร้าใจว่าอางั้นฟังมันถึงใจพอพูดผู้พู ด, พดออกมาแต่ละประโยคแต่ละคําสั่งเสียอะไรนี่พูดออกมาอย่างถึงใจกําหนดทุกระยะที่พูดด้วเห็นนี้เองจึงไม่ได้หวังเกี่ยวกับโลกยกตัวอย่างเป็นประเทศเช่นก็ว่าหลวงตาบัวหรือจอามาบัวนีด่ดุลั่นโลกเนี่ยว่ะเราไม่เคยสนใจเพราะเหตุไร เพราะว่าจะดีก็ดีจะดุก็ดีเราพร้อมตระหตุผลทุกอย่างแล้วที่ควรจะดุที่ควรจะดีการพร้อมตระหตุผลตัวเหตุผลนั่นคือธรรมีิจารณาแล้วเรจะไปไหวกับทำไปตามเรื่องของการดำเนินพิเาียนของโลกซึ่งเป็นโลกธรรมหาอนไรแล้าถ้าเราเชื่อธรรมก็พิจารณาตามหลักธรรมโดยเหตุดตูทางเหตุตามผลเมื่อี่ดำเนินตามทางเหตุตามผลแล้วมันจะผิดไปที่ตรงไหนห เขาตีเหล็กปังๆังปังนั่นพุนาวันทำอะไรเรถามว่านั่นเขาตีเหล็กเขาตีอะไรน่ะยังตั้งต้องเองตั้งน่ะหรอไม่ทราบบางคนไม่ทราบางคนเพราะเขาตีเหล็กนั่นน่ะเรายกออกมาสอนคนเห็นไหมน่ะเหล็กที่แรกมันเป็นเหล็กแข่งเหล็กท่อนนั่นเขามาตีแถบล้มเทิดตายยินใช่ไหมันปังปังปุ้งตังอนึ่งจนจะหมดกําลังตายอยเนี่ยนเมื่อมันเคลียร์เขาอุตส่าหอยีลงสนามนั่น มีดแต่เลื่องขวานแด่เลื่องต้องผ่านนายช่างมาอย่างโชคโชนุนมันถึงมากลายเป็นมีดเป็ขวานขึ้นมาใช้การใช้งานได้เหล็กทั้งทั้งท่อนออกมาเป็นมีดเป็นขวานได้อย่างง่ายมันต้องผ่านนายช่างมา ก, ก่อนผ่านไฟผ่า น, น, น, นไฟนันชุบไปรุ่งไปหมดแล้วเราจะสอนคนให้เป็นคนทั้งคนแต่ละคนทั้งคนแต่ละคนละคน ทำไมจะไม้มันมีเสียงแต่เขาตีเหล็กยังมีเสียงเขาถักไม้มาทําบ้านทําเรือนเขายัางมีเสียงใช้กบมันก็ยังมีเสียงตีตะปูปมันก็มีเสียงอืมแม้ที่สุดผสมปูนมันก็ยังมีเสียงเขาจะสร้างตึกสร้างบ้านสร้างเรือนน้องใหญ่มันมีเสียงทั้งนั้นเหตุนใดเราจะสร้างคนให้เป็นคนสร้างพระให้เป็นพระทั้งคนทั้งองค์นี่มันจะไม่มีเสียงออ เสียงดุเสียงด่าว่าก่าวสัมปทานต่างๆนั่นแรกคือเสียงที่ทําคนให้ดีเหมือนกับในชางเขาตีมีดเขาสร้างบ้านสร้างเรือนก็มีเ ส, สียงเสียงก็จะสร้างบ้านสร้างเรือนให้เป็นตึกเป็นน้านขึ้นมาด้วยความสวยงามและมั่นคงอีกคืเสียงการแนะ น, นําสัมปทานเพื่อเจ้ากังวันทั่วโลกทิ้งแต่นี่คหปะปักคาหะการสรรเสริญเย็นยอกับการดูด่าว่ากล่าวถูกเขียนหรืออัปเทหีเป็นของคู่ฟันมาตั้งแต่ พระุทเจ้าจะให้แยกไปไหนถ้ามาไปตามหลักธรรมนี้ควรดีต้องดีควรกุต้องดุด้วยเหตุผลเนี่ยแล้วจะแยกไปไหนอีกใครจะตำหนิก็ตําหนิไปที่ใครจะชมก็ช ม, ชมไปปากของเขาลิ้นของเขาเรื่องหน้าที่ของเราผู้ปฏิบัติธรรมให้เดินแน่ตามธรรมนี้นี่นี่คือหลักดำน้ำแล้วเราก็เหมือนการผู้ปฏิบัติแต่แ ล, ละองค์ลองค์ ให้ถือหลักธรรมเป็นเกณฑ์อย่าเอาโลกมาเป็นประมาณในนะักท่านปราศจากเหตุผลแต่สิ่งใดที่เป็นไม่ไดเหตุผลให้ถือก็มาเป็นธรรมะเป็นค่ติเครื่องเปิดใจเปิดให้ได้ผลได้ประโยชน์จากสิ่งที่มาสัมผัสภายนอกจากภายนอกหรือภายในในอารมณ์ของใจเองก็ตามมันคิดเรื่องอะไรเป็นเรื่องดีก็เป็นมากไปถ้าเรื่องไม่ดีก็เป็นสมุทัยแก้อาการ เหรอสิจิตุริยจ้าประเสริฐเพราะอะไรจิตตสาวกฐาทนท่านประเสริฐเพราะอะไรถ้รามันจะเพราะความเพียนความเล็ดเดี่ยวอาหารวิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยอินสีาหา่าหา้าพระห้าพระพระกําลังห้าศรัทธาวิยสติสมาธิปัญญาศรัาทธาความเชื่อวิริยะความภาคเพียรสติความระลึกรู้ตัวความไม่เผลอ สมาธิความเหนียวแน่นมั่นคงต่อหน้าที่การงานอันเป็นต้นจากนั้นก็เป็นสมาธิตัวผลขึ้นมาคือความมั่นคงของจใจแาะที่เป็นเหตุก็มีความมั่นคงทางด้านปฏิบัติคือหน้าที่การงานของตอนภาคเปลี่ยงเป็นที่เป็นเป็นแหบลบด้วยความมั่นคงของใจงอันนี้เป็นสมาธิฝ่ายเหตุสมาธิฝ่ายผลก็คือความมั่นคงของใจงที่ตั้งแนว อารมณ์ไม่ก่อควรได้อย่างง่ายเหมือนแต่ก่อนมาเนี่ยปัญญาพิจนาทะลุปุ่งกันหมดทียพระพุทธเจ้าไม่สอนให้ใครโง่นี่น่ะศาสนามม่ได้ออกมาจากคนโง่พราะพรุทธเจ้าไม่ใช่คนโง่เป็นคนที่ฉลาดที่สุดแหลมคมที่สุดสามารถเป็นครูได้ในโลกทั้งสามไม่มีใครจะสามารถเหมือนพระพุทธเจ้าเลยถ้าเป็นคนโง่จะสอนโลกได้ทั้งสามอ่ทีพนานี่สอนโลกได้ขนาดสามโลกกรรมโลกโลกอรูปโลกสอนได้ทั้งนั้น เราไม่สามารถไม่ต่สอนตัวเองยังไม่ได้เรื่องคิดอ่อีกมันผิดกันไหมกับพระพุทธเจ้านั่นแหละธรรมที่ออกมาออกมาจากท่านพู้ชนะปัญญาคือความเฉลียวฉลาดแหลมคมจะตัดที่เลียดอา ส, สวาได้เพราะอำนาจของสติปัญญ า, น, านี้่อำน้นเป็นสํสาคัญข้อหนึ่งอยู่ข้อหนักแักน่นในสติปัญญาอย่านอนกใจภาวนาพอยจะให้จิตสงบเพื่อจิตสงบด้วยความขี้เกียจหาความสงบไม่ได้นอกจากรับครอบครนะความสงบด้วยอํานาจของความเพียรก็ต้องมีสติ ประคับประคองหรือเป็นเจ้าหน้าที่บงการอย่างนั้นหยิ่งจะมั่นคงได้ปัญญาความระมัดระวังนั่นก็เป็นสมาธิได้งยิ่งทางปัญญาเราเอพิจารณาสอบสองมองทะลุปไปไหนได้หมดด้วยอานาจของความเพีย่ยแหนอนที่พิจารณาแล้วพิจารณาเล่ามันก็นมีความคล่องตัวไปอีกทุกสิ่งทุกอย่างที่แรียกตรงคำว่ามุกขการเพราะไม่ชํานาญทำหลายคัง้งเราเห็นมไปก็ชานาญคล่องตัวคําว่าปัญญาถ้าหมุนติ้วเลย เีุ่ที่ทำมาปัญญาตัวมั่นหรือมหาสติมหาปัญญาออกจากความราู้มู้คู่ขานในเบนื้องต้นแต่ก่อนมอพี่นามไปพี่นาไปคล้ปปองตัวไปคล้องตัวแล้วก็หมุนตัวไปเองหมุนตัวเองเรียกวอัตโนมัติหรือดัมิติหรืเรียกมหาส ต, ติมหาปัญญาเมื่อถึงขนาดนั้นแล้วกิเลสตัวไหนมันมีแต่พรอที่จะพังลงข้างน่างเมื่อสติปัญญานี้เข้าถึงจุดไหนจุดไหนเป็นพังลงไปทางลงไปสติปัญญาประเหตุเป็เป็นสติปัญญาที่กวาดกวาดล้าง นี่แหละติปัญญาที่ขวาญล่างคือประเภทติปัญญาประเภทนี้ในภาขกังจมงนั้นอ๋อบนี้ก่อนนองท่านปัญญาที่บานหนุนพ้นอ่ะ